วันนี้เป็นวันพระหาดสัปดีที่ยี่สิบพฤศจิกายนพุทธศักราช2568เป็นวันพระวันธรรมะสวนะวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ได้สรงมอบหมายภารกิจให้ชาวพิษให้ชาวพุทธผู้ที่มีจิตปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นำภารกิจอันสำคัญของพระศาสนาไปกระทำกันภารกิจที่สำคัญนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่า ภารกิจในพระอริยสัจสี่หรือผู้สั้นๆก็คือกิจในอริยสัจสี่อริยสัจสี่คืออะไรคือความจริงสี่ประการที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้ทรงตัดสรู้ด้วยพระองค์เองเป็นความรู้ที่ไม่มีใครในโลกนี้รู้มาได้ก่อน มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่สามารถค้นพบพระอริยสัจสี่นี้ได้พระอริยสัจสี่นี้ก็มีความจริงอยู่สี่ข้อด้วยกันอริยสัจแปลว่าความจริงที่ประเสริฐที่ถ้าผูดด้ใดได้รู้ได้เห็นได้ปฏิบัติก็จะสามารถหลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งปวงได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้<ม>อริ ย, ยสัจสี่นี่มีอยู่สี่ข้อด้วยกัน<ม>ข้อที่หนึ่งเรียกว่าทุกข์<ม>แปลว่าความทุกข์ใจ<ม>ข้อสองเรียกว่าสมุ ท, ทยัย<ม>แปลว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจข้อที่สามเรียกว่านิโรธ แปลว่าการดับของความทุกข์ความทุกข์หายไปหมดเรียกว่านิโรธการสิ้นสุดของความทุกข์นะข้อที่สี่เรียกว่ามรคมรค ก, ก็คือทางปฏิบัติสู่การดับของความทุกข์ทั้งปวงนี่เองนี่คือพระอริยสัจสี่ 4ข้อด้วยกันและในแต่ละข้อนี้ผู้ปฏิบัติจาเป็นจะต้องทำภารกิจของแต่ละข้อให้ได้ให้สมบูรณ์ถ้าทำภารกิจทั้ง4ี่ข้อนี้ได้สมบูรณ์ก็จะสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจยุติการเวียนว่ายตายเกิด ไปที่อย่างสิ้นเชิงอย่างถาวลจะไม่มีการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไปในสังสารวัฏในโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดภารกิจสี่ข้อนี้เรียกว่ากิจในอริยสัจว์่กิจข้อที่หนึ่งคือข้อทุกข์ ในกิจข้อที่หนึ่งนี้ทรงตัดว่าจะต้องเรียนรู้ให้รู้จักว่าทุกนี้คืออะไรคือทุกนี้ต้องเรียนรู้ให้รู้ว่าทุกคืออะไรทุกในที่นี้หมายถึงทุกใจไม่ใช่ทุกทางร่างกายทุกใจหรือความไม่สบายใจต่างๆความเครียดต่างๆความวิตกกั ง, งวลความหวาดกลัวต่างๆ เรียกว่าเป็นความทุกข์ใจทุกข์ใจคืออะไรทุกข์ก็คือการเกิดนีเ่เพราะเมื่อมีการเกิดแล้วก็จะต้องมีการแก่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยมีการตายมีการทัดภาคจากของที่เราลักเราชอบเหตุการณ์เหล่านี้ จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาผู้ปฏิบัติผู้ที่จะทำกิณในข้อนี้จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ให้จดจำอย่างแม่นยำให้ให้เข็ดหลาบให้กลัวการเกิดอย่ากลับมาเกิดเพราะการเกิดจะนำไปสู่ความแก่ ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายและการพัดพราดจากการละกันนั่นเองวิธีที่จะปฏิบัติเกิจตข้อนี้ก็คือให้หมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดา ย่อมมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาต้องเรียนรู้ให้จดให้จําไว้อย่างแม่นยําไม่ให้หลงไม่ให้ลืมให้จําได้ทุกขณะจิตเลยว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์เพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายและความพัดพากจากกันอันนี้คือภารกิจข้อที่หนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฏิบัติมาด้วยพระ อ, องค์เองจนสามารถไม่กลับมาเกิดได้อีกเพราะกลัวความเกิดนีเ้เพราะรู้ว่าการเกิดนี้จะนำมาสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากจากของที่เรารักที่เราชอบนี่คือภารกิจข้อที่หนึ่งในอริยสัจ ข้อที่หนึ่งก็คือข้อทุกข์ทุกข์คือความทุกข์ใจคือการเกิดแก่เจ็บตายนี่แล้วก็ข้อที่สองของภารกิจในอริยสัจร์4ก็คือกิจในข้อที่สองคือสมุทัยสมุทายนี้แปลว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ อะไรเป็นเหตุที่ทำให้มาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอะวุธเจ้าก็ส่งคนพบว่าเหตุที่พาให้จิตมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆก็คือตัณหาทั้งสามคือความอยากถามประการด้วยกันคือหนึ่งการ ม, มาตัณหาความอยากเสศรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ เรียกว่ากามาตัาหาความอยากเสกกามกามะคุณห้า<ม>สองภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็น<ม>อยากร่ำอยากรวยอยากสุขอย่างเจริญในโลกกระทำคูอในลาบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสพธภพชนิดต่างๆ<ม>เรียกว่าความอยากมีอยากเป็น<ม><ม>ข้อที่สาม ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคือวิภาวะตัณหาอันนี้คือความอยากไม่ให้ลาบยศสรรเสริญเสื่อมไปหมดไปนั่นเองความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนั่นเองเรียกว่าวิภาวะตัณหาถ้าเกิดตัณหาอันใดอันหนึ่งนี้ขึ้นมาในสามอันนี้ความทุกข์ในใจก็จะเกิดขึ้นทันที แล้วก็จะนำไปสู่การกลับมาเกิดใหม่หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็จะถูกตันหาความอยากนี้เป็นผู้พาให้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆภารกิจในข้อนี้ข้อที่สองนี้พระพุทเจ้าทรงตัดว่าสมุทัยต้องละต้องกาจัดต้องหยุด ละสมุทัยคือละกามาตัญหาละภาวะตัญหาละวิภาวะตัญหาคืออย่าไปทำมันทำว่าละหมายว่าเลิกเลิกเสพกามเช่นพวกนักบวชทั้งหลายนี่ไปบวชกันไปถือศีเนคขมะละการออกจากกามคนห้าเรียกว่าละกามาตัญหาละ ความอยากได้ลาบยศสารเสริญสุขของโลกก็คืออยู่แบบนักบวชอย่าไปอยากร่ำรวยอย่าไปอยากมียศมีตำแหน่งมีหน้ามีตาอยากให้เขายกย่องสารเสริญเ ย, ยนยออยากให้มีรูปเสียงกลิ่นรสผลตภาพชนิดต่างๆมาเสพมาบำรุงอยู่เรื่อยๆนี่คือละภาวะตัณหา ความอยากมีอยากเป็นแล้วก็ละวิภาวะตัณหาคือความอยากไม่เสื่อมในลาบยศสละเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสที่มีอยู่นั่นเองมีลาบก็อยากไปหวงอยากไปคิดว่ามันจะไม่เสื่อม <c oughs> มันเป็นอ น, นิจจังเป็นของชั่วคราวเดียมันก็ต้องเสื่อมมีลาบก็ต้องเสื่อมลาบเป็นธรรมดามียศก็ต้องเสื่อมยศเป็นธรรมดา มีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นธรรมดามีสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะก็มีทุกข์เกิดที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะธรรมดาอย่าไปอยากให้มันไม่เสื่อมไม่เกิดมันต้องเสื่อม <c oughs> เป็นธรรมดาอยู่ในโลกนี้ทุกคนต้องสัมผัสกับโลกธรรม ท, ทั้งแปดแม้แต่พระพุทธเจา้าพระอ า, านตสาวกก็ต้องสัมผัสกับโลกธรรม เองแต่ว่าใจท่านไม่มีความยินดีท่านไม่มีความอยากอยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นมีก็เฉยๆไว้ใครให้เงินให้ทองมาก็รับไว้เฉยๆใครให้ยศให้ตําแหน่งมาก็รับไว้เฉยๆแต่ก็ไม่ยินดีพร้อมที่จะให้มันไปถ้ามันจะเสื่อมก็ถ้าเงินมันจะหมดก็ปล่อยมันหมดไปถ้ายศ หายไปถูกปวดไปก็ปล่อยให้มันถูกปวดไปถ้าสรรเสริญนะกายเป็นนินทาก็ปล่อยให้มันเป็ น, นินทาไปถ้าสุขกลายเป็นทุกข์ก็ปล่อยให้มันเป็นทุกข์ไปไม่ไปมีความอยากให้มันไม่เกิดไม่เป็นเพราะอยู่ในโลกกระทํานี้อยู่ในโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาอ น, นี่คือตัณหาทั้งสามภารกิจในใน ในข้อที่สองนี้ในสมุทยัยอริยาศาสตร์ข้อที่สองเรียกว่าสมุทยัยคือต้นเหตุของความทุกข์ได้แก่ตัณหาทั้งสามกามาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาต้องละให้ได้อย่าไปมีตัณหาความอยากมีแล้วใจจะทุกข์ใจจะเครียดแล้วใจจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อย เ, เพราะ ใจที่มีตันหาความอยากนี้ก็จะต้องคอยไปหาร่างกายมาเป็นเครื่องมือนั่ือร่างกายนี้เป็นเครื่องมือของใจที่มีตันหาความอยากที่อยากจะเสพกรามอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดผลาพก็จะต้องมีร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายไว้เป็นเครื่องมือก็จะพาให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าละตันหาทั้งสามนี้ได้แล้ว เมื่อไม่มีตันหาไม่มีความอยากก็ไม่มีอะไรจะดึงใจให้กลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อเมื่อไม่กลับมาเกิดก็จะมีอริยสัจข้อที่สามปรากฏขึ้นมาก็คือการสิ้นสุดของความทุกข์เรียกว่านิโรธอริยสัจข้อที่สามเรียกว่านิโรธแปลว่าการสิ้นสุดของความทุกข์ การสิ้นสุดของความทุกข์นี้เกิดจากการละตันหาความอยากทั้งสามได้ในการละตันหาความอยากทั้งสามได้ก็เพราะ อ, อริยสัจข้อที่หนึ่งที่เห็นว่าทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายนี้เอง ก, ก็ไม่อยากจะเกิดเมื่อไม่อยากจะเกิดก็ดังมาละตันหาความอยากทั้งสามนี้เมื่อละตันหาทั้งสามนี้ได้ก็จะทําให้เกิดนิโรธเป็นอริยสัจข้อที่สาม คือการสิ้นสุดของความทุกข์กหมดไปจากใจเรียกว่า น, นิโรธเหมือนไฟดับทุกดับค<ม>าว่า น, นิโรธก็คือทุกดับเหมือนไฟที่ในใจทุกนี้เป็นเหมือนไฟในใจของเราพอเราละเชื้อเพลิงเราละเหตุที่ทำให้ทุกเกิดขึ้นมาได้พอไม่มีเหตุที่ทำให้ทุกเกิดทุกก็จะดับไปเรียกว่า น, นิโรธข้อนี้กิจในข้อที่สามนี้ท่านบอกว่านิโรธต้องทาให้แจ้ง ต้องทําให้ปรากฏขึ้นมาต้องทําให้มีนิโรธขึ้นมาในใจให้เห็นกับใจเลยว่าอ้อเดี๋ยวนี้ทุกในใจของเราไม่มีอีกแล้วเพราะเหตุที่ทำให้เราทุกคือความอยากต่างๆเราได้ละหมดแล้วเราไม่มีความอยากได้อะไรต่อไปกับสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้เพราะเราเห็นว่าถ้าอยากแล้วมันจะพาให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกอยู่เรื่อยนั่นเองอันนี้คือ กิจข้อที่สนิโรธต้องทำให้แจ้งคือการสิ้นสุดของความทุกข์ต้องทำให้มันแจ้งให้มันปรากฏขึ้นมาในใจของเราในใจของผู้ปฏิบัติแล้วก็นำมาสู่อริยรรสัจสีข้อที่สี่คือมรคมรค ก, ก็คือทางแห่งการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองการปฏิบัติเพื่อให้สิ้นทุกข์เพราะว่า การที่จะทำให้นิโรธให้ให้แจ้งได้การที่ยละสมุทัยได้การที่จะรู้ทุกได้ว่าว่าเป็นอะไรจำเป็นที่จะต้องมรคเป็นเครื่องมือมรคนี้ก็คือวิธีการปฏิบัติเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางทางที่จะทำให้ผู้ปฏิบัตินี้สามารถเห็นทุกได้รู้ว่าทุกคือการเกิดแก่เจ็บตาย เมื่อรู้ว่าทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายก็จะรู้ถึงสาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากตัณหาความอยากและเมื่อเห็นว่าอยากจะให้ความทุกข์หายไปก็ต้องละตัณหาความอยากก็จะละตัณหาความอยากได้ก็จะทำให้นิโรธคือการสิ้นสุดความทุกข์ปรากฏขึ้นมาถ้าไม่มีมรรคไม่มีเครื่องมือนี้ใจจะไม่สามารถที่จะทำให้นิโรธ คือการสิ้นทุกปรากฏขึ้นมาได้ไม่สามารถละตันหาเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ไม่สามารถมองเห็นว่าทุกขคือการเกิดแก่เจ็บตายได้จําเป็นที่จะต้องเจริญมัสมัทที่มีองค์แปดที่พระเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงปฏิบัติมาแล้วใช้เป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจมัทคือกิจในมัท กิจในข้อที่สี่นี้กิจในในอริยาศาสตร์ข้อที่สี่นี้คือมรรคต้องเจริญให้สมบูรณ์ต้องทําให้สมบูรณ์ตอนนี้เรามีมรรคอยู่ในใจแล้วหรือเปล่ามรรคแปดข้อนี้ข้อที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิ 3. ความเห็นชอบคืออะไรความเห็นชอบก็คือการเห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์นั่นเองแล้วก็การกระทําบาปก็เป็นทุกข์ เห็นว่ากฎแห่งกรรมมีจริงทำบาปแล้วต้องไปตกนรกทำบาปแล้วต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้คือสัมมาทิฏฐิคือการเห็นชอบเห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นทุกข์การเวีนว่ายตายเกิดนี้เป็นทุกข์แล้วก็กฎแห่งกรรมมีจริงทำบาปแล้วจะต้องเจอกับความทุกข์ตายไปก็ต้องไปรับ ทุกในอบายไปเกิดเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นนสูนลกายไปตกนรกนี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอย่าลังเลสงสัยว่านรกมีจริงหรือไม่บาปมีจริงหรือไม่การมียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่ถ้ายังลังเลสงสัยนี่แสดงว่ายังไม่มีข้อนี้ยังไม่เห็นว่ามีจริงถ้าถ้ามีปัญญาจะต้องเห็นว่ามันมีจริงสัมมาทิฏฐิคือปัญญา <c oughs> เราต้องมีเบื้องต้นถ้าเรายังไม่เห็นด้วยตัวเองก็ให้เราเห็นด้วยความเชื่อเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระอรันตาสาวกท่านเห็นแล้วท่านเห็นว่า<ม>การเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นทุกข์<ม>การเกิดเป็นทุกข์การกระทาบาปเป็นทุกข์และเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์เกิดการเวียนว่ายตายเกิดก็คือกิเลสตัณหานี่เอง<ม>นี่คือมรรคข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้องด้วยความเห็นชอบเราต้องสร้างความเห็นนี้ให้เกิดขึ้นมาด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการาพพศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจา้าและพระอนันตสาวกทั้งหลายแล้วท่านจะสอนให้เราเรื่องราวเหล่านี้ว่ามีจรงิง<ม>การเกิดว่า้ตายเกิดมีจรงิงตายแล้วไม่สูญตายแล้วก็ต้องกลับไปเกิดใหม่เพราะตัหาความอยากที่มีในใจยังมีอยู่ในใจ มันก็จะพาให้กลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าทํำบาปก็จะต้องเจอกับความทุกข์ตายไปก็ต้องไปรับผลบาปในอบายนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิการจะมีสัมมาทิฏฐิก็คือการได้ยินได้ฟังธรรมอย่างวันนี้เป็นต้นถ้าเราศึกษาธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องอริยสัจสี่จะสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดสอนเรื่อง นรกเรื่องสวรรค์เรื่องตัณหาความอยากที่สร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจนี่คือข้อที่หนึ่งสมาทิฏิต้องเจริญให้ให้มากให้สมบูรณ์ให้มีเต็มที่คือให้มีอยู่ในใจตลอดเวลาให้รู้ว่าความเกิดเป็นทุกข์เพราะว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็คือตัณหาความอยาก แล้วก็การกระทำบาปต่างๆก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจแล้วก็ถ้าอยากจะสิ้นสุดการการเวียนว่ายตายเกิดการหยุดความทุกข์ก็ต้องชำระตัณหาความอยากให้หมดไปจากใจให้ซักฟอกจิตใจละตัณหาการมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาให้หมดไปจากใจนันนี้คือสัมมาทิฏฐิข้อที่หนึ่ง มรรคข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเมื่อมีความเห็นชอบแล้วก็จะมีสัมมาสังกปรความคิดความคิดชอบหรือความคิดที่ถูกต้องคิดอย่างไรถึงเรียกว่าคิดว่าถูกต้องก็คิดว่าต่อไปนี้เราจะต้องละการกระทําบาปทั้งปวงเพราะการกระทําบาปทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาสองเราต้องสร้างบุญทํากุศลต่างๆให้ถึงพร้อมเพราะการทําบุญนี้จะสร้างความสุขให้กับใจ ระสามเราต้องหำ้าจิตใจให้สะอาดบริสุทธิาชำระกิเลสตัณหาความโลภความอยากการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจนี่คือสัมมาสังกปรคือความคิดที่ถูกต้องเวลาจะคิดอะไรให้คิดอยู่ในสข้อนี้คิดว่าไม่ทำบาปทาแต่บุญซักพอกจิตใจให้บริสุทธิ์นี่คือความคิดของผู้ปฏิบัติ ถ้าในมรรคแถ้าอยากจะมีมรรคต้องคิดแบบนี้สามข้อนี้อย่าไปคิดหาหาผัวหาเมียหาลูกหาราภหายศหาอะไรต่างๆอันนี้คิดแบบเพื่อให้ไปเวียนว่ายตายเกิดถ้าคิดเพื่ออยากจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดต้องละคิดว่าเราจะละบาป ท, บบทําต่บุญทักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือสัมมาสังกโปวความคิดที่ถูกต้อง เป็นมรรคข้อที่สองมรรคข้อที่สามคือสัมมากรรมมันโตการกระทําที่ถูกต้องคือทําอย่างไรถึงถูกต้องก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกลางเราต้องไม่อยากทําทตามเพราะการกระทําผิดในกางการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์นี้เป็นการกระทําที่จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเป็นการกระทําที่นําไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองข้อที่สี่สัมมาวาจา การพูดที่ถูกต้องการพูดที่ถูกที่ชอบเป็นอย่างไรก็คือหนึ่งไม่พูดปดไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพ้อเจ้ไม่พูดส่อเสียดคือยุยงให้คนอื่นเขาทะเลาะกันหรือแตกแยกกันนี่คือวาจาที่เราไม่ควรพูดเป็นสัมมาวาจาให้พูดแต่ความจริงให้พูดแต่คําสุภาพให้พูดเรื่องที่มีสาระ ชันพูดเรื่องธรรมะธรรมโอต่างๆแล้วก็พูดให้รักให้มีความเมตตาต่อกันให้รักสามัคคีกันนี่เรียกว่าสัมมาวาจามกข้อที่สี่มาข้อที่ห้าคือสัมมาอาชีวะอาชีวะหรืออาชีวะคือมีอาชีพเลี้ยงชีพมีการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องคือมีอาชีพที่ไม่ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหาย อย่าไปค้าอย่าไปค้าขายของที่อย่าไปทําให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนเช่นค้าอาวุธนี้คนที่ซื้ออาวุธไปก็มักจะเอาไปฆ่ากันเองอย่าไปทําอาชีพนี้อย่าไปค้าสุรายาเมลหรื อ, อยาเสพติดทั้งหลายเพราะเป็นเป็นสิ่งที่จะทําให้คนเสพแล้วขาดสติแล้วก็จะไปทําบาปไปทําอันตรายต่อผู้ได้ไม่ให้ค้าขายพวกกับดักกรรมดักสัตว์ต่างๆ หรือยาพิษต่างๆเป็นต้นของเหล่านี้มันเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตของผู้อื่นอย่าทำอาชีพแบบนี้ไม่เป็นอาชีพที่ควรให้ทำอาชีพที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เช่นขายอาหารขายเสื้อผ้าหายปัจจัยสี่เป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรทํานองนี้หรือบางเป็นพระเป็นฉีดเป็นต้นเป็นอาชีพที่สำมาอาชีพไม่เป็นท่านความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น แล้ต่อมามรรข้อที่6คือสัมมาวายามโมสัมมาวายามโมคือความเพียรชอบทําอย่างไรเรียกอย่างไรถึงการเพียรชอบก็เพียรทำบุญเพียรละบาปเพียรสักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นั่นเองพยายามมาวัดบ่อยๆเช่นวันพระเนี่ยวันพระเป็นวันที่เรามาทําความเพียรให้กันให้เรามาทําบุญทําทานให้เามารักษาศีล ให้เรามาภาวนากันมาเจริญสติสมาธิเพื่อทำให้จิตสงบ น, นี่คือข้อที่หกของมรรคสัมมาวายาโมข้อที่7ก็คือสัมมาสตินั่นเองให้เรามาเพียรสร้างสัมมาสติกันให้เจริญสติให้ใจหยุดคิดสัมมาสติก็คือสติที่สามารถทําให้ใจเราหยุดคิดได้ เราไม่มีสติกันวันหวันตั้งแต่ตื่นมาจนถึงปัจจุบันนี้เราเคยหยุดคิดกันบ้างหรือยังคิดกันมาอย่างต่อเนื่องไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยคิดเรื่องนั้นแล้วก็คิดเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นแล้วก็คิดถึงคนนี้คิดจะทํานู่นคิดจะทํานี่คิดอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนคิดแล้วก็เกิดกิเลสตัณหาความอยากขึ้นมาแทนที่จะทให้หยุดกิเลสกลับคิดแล้วกลับไปท่านความอยากขึ้นมา เมื่อสร้างความอยากก็จะนําไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองต้องมาหยุดคิดมาฝึกสติเพื่อให้หยุดคิดด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปภายในใจทั้งวันอย่าไปคิดอะไรคิดแล้วเท่าที่เรื่องจําเป็นที่จะต้องคิดคิดว่าจะต้องกวาดบ้านถูบ้านก็ทําไปคิดว่าจะต้องอาบน้ำอาบท่าก็ทําไปในขณะที่ทําก็ไม่ต้องคิดอะไรให้อยู่กับงานที่เราทําไปเรื่อยๆพยายามตัดความคิดหยุดความคิดให้ได้ นี่เรียกว่าสัมมาสติพอเรามีสัมมาสติเราก็จะสามารถมาทามรรข้อที่แดได้ก็คือสัมมาสมาธิมานั่งสมาธิมานั่งหลับตาถ้ามีสติอยู่กับฟุตโธพุโธไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวใจก็นิ่งสงบพอใจนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาใจก็มีอุเบกขาขึ้นมามีกำลังที่จะหยุดความอยากได้มีกำลังที่จะละตันหาความอยากนะ มีกำลังที่จะหยุดการกระทำบาปทั้งปวงได้มีกำลังที่จะทำบุญทำกุศลได้มีกำลังที่จะชำระกิเลสตัณหาให้หมดเส้นไปจากใจได้นี่แหละคือมรรคที่มีองค์แปดที่เป็นมรรคในอริยสัจสี่ข้อที่สี่มรรคิตในข้อที่สี่นี้พระเจ้าบอกต้องเจริญให้มากเจริญให้บ่อยเจริญให้สมบูรณ์ให้มรรคแปดให้สมบูรณ์ ถ้าเรามีมรรคแปดในใจเราในสมบูรณ์แล้วเราก็จะสามารถที่จะมาทำกิจในอริยสัจทั้งสามข้อได้คือมาเรียนรู้มามาเรียนรู้ว่าทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็มาละตั้นหาความอยากเหตุที่พาให้มาการเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็มาทำให้นิโรธคือการสิส้นทุกข์การดับทุกข์นี้ให้ปรากฏขึ้นมาในใจของเรา กิจทั้ง4นี้กิจทั้งสานี้ต้องอาศัยกิจข้อที่4ก็คือมรรคที่เราจะต้องมาบําเพ็ญมาปฏิบัติกันอย่างที่พวกเราทุกครั้งที่มาวัดเราก็มาเจริญมรรคกันมาทําบุญทําทานมาลักทำบุญทําทานทำำําความดีมาละ บ, บาปด้วยการรักษาศีลแล้วก็มาซักฟอกจิตใจด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนานี่คือเรื่องของการทํากิจในอริยรรสัจ4ี่ให้สมบูรณ์ ถ้าเราสามารถทำกิดทั้งสี่ข้อให้สมบูรณ์ได้การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นผลตามมาการบรรลุถึงพระนิพพานก็จะเป็นผลที่จะตามมาไม่มีไม่มีวิธีอื่นที่จะทำให้จิตเราหลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดเข้าสู่พระนิพพานได้นอกจากการปฏิบัติภารกิจทั้งสี่ประการนี้คือปฏิบัติภารกิจในอริยาาสัจส่ ในทุกสมุทัยนิโรธมักทุกต้องเรียนรู้สมุทัยต้องละนิโรธต้องทำให้แจ้งมักต้องเจริญให้สมบูรณ์ถ้าเราทำกิจทั้งสี่ข้อนี้ได้การหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้เพื่อพอดีสมควรกับเวลาที่ได้กาหนดไว้ประมาณ30สนาที ในลำดับต่อไปเราก็จะมาปฏิบัติมรรคกันเราจะมาปฏิบัติสัมมาสติกับสัมมาสมาธิกันคือเราจะมานั่งสมาธิมาเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธให้หยุดความคิดทําจิตให้นิ่งให้จิตให้สงบให้จิตให้รวมเป็นสมาธิขึ้นมาให้มีอุเบกขาขึ้นมาพอจิตเรามีอุเบกขาแล้วเราก็จะสามารถใช้จิตที่มีอุเบกขานี้ละ บ, บาปได้จะคิดทําบาปก็หยุดมันได้ จะคิดทำบุญก็สั่งให้มันทำบุญได้จะหยุดความอยากต่างๆก็จะหยุดความอยากได้แต่ถ้าไม่มีสัมมาสมาธิไม่มีวุเบคาคิดจะทำบุญก็ขี้เกียจทำคิดจะละบาปก็สู้ไม่ไหวคิดจะไม่ทำตามความอยากก็ทนไม่ไหวเพราะไม่มีกำลังสู้ตอนนี้เรามาสร้างกำลังให้กับใจด้วยการมาฝึกสัมมาสติสัมมาสมาธิกันการที่จะเจริญสัมมาสติก็คือให้เราละเลิกรู้อยู่กับอารมณ์เดียว อารมณ์ที่จะกล่อมใจเรียกว่ากรรมฐานใชนคําบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เป็นอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้สงบหรือการดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกหรือที่หน้าท้องก็ได้ให้ดูลมที่จุดเดียวถ้าจะดูลมที่ปลายจมูกก็ดูตรงปลายจมูกถ้าจะดูลมที่หน้าท้องก็ดูที่หน้าท้องให้รู้อารมเข้าลมออกไม่ต้องทําอะไรให้ดูเฉยๆให้เพื่อให้หยุดคิดถ้าเราดูลมไปเรื่อยๆเราก็จะลืมเรื่องความคิดต่างๆ ตอนต้นเวลาดูดูลมหรือพุโทโธอาจจะมีความคิดแทรกเข้ามาก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปทำอะไรมันให้เราอยู่กับพุโทโธไปหรืออยู่กับลมไปถ้าความคิดมันคิดมากฟุง้งซ่านไม่สามารถอยู่กับลมได้ไม่อยู่กับพุโทโธได้ก็ให้อยู่กับบทสวดมนต์ไปก่อนสวดอิติปิโสไปหลายๆจบก็ได้หรือสวดบทแผ่นเมตตาไปก็ได้หรือสวดพระสูตรพระสูตรใดก็ได้ ให้สวดอย่างมีสติให้เราเลิกรู้ถึงคําสวดที่เราสวดทุกคําสวดแล้วเดี๋ยวใจก็จะหายฟุ้งซ่านพอหายฟุ้งซ่านเราก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาดูลมหายใจต่อหรือมาบริกรรมพุทโทธต่อ mm hmm. แล้วเวลามีอะไรปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจมีแสงมีสีมีเสียงมีอะไรเข้ามาก็อย่าไปสนใจมีความรู้สึกทางร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้คันตรงนั้นคันตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจ ให้อยู่กับกรรมฐานไปเพียงอย่างเดียวอย่าทิ้งกรรมฐานไปถ้าอยู่กับกรรมฐานได้เดี๋ยวใจก็เข้าสู่ความสงบรวมเป็นสมาธิขึ้นมาได้เวลาจิตรวมก็จะเกิดความสุขกันมหัศจรรย์ใจเกิดอุเบกขามีพลังที่จะสามารถควบคุมใจสั่งใจให้ทำอะไรต่างๆได้หรือไม่ให้ทำอะไรต่างๆได้ น, นี่ก็คือ สิ่งที่เรากําลังจะมาเจริญกันต่อไปนี้เรียกว่าสัมมาสติกับสัมมาสมาธิและต่อไปนี้เราก็จะมานั่งกันจนการจะหมดเวลาอีกประมาณ27นาทีด้วยกันอตอนนี้เวลาสําหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกขอให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหม ถ้าสงบดีก็ให้จดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้เวลาจะนั่งคราวต่อไปก็ใช้วิธีนี้นั่งได้ต่อไปเลยแล้วจิตก็จะสงบเหมือนวันนี้อย่านั่งไปแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากมันไม่ได้ทำให้สงบแต่วิธีที่นั่งที่ถูกต้องอย่างวันนี้จะทำให้จิตสงบได้ต่อไปถ้านั่งแล้วยังไม่สงบดีก็สแสดงว่าสติยังมีกำลังน้อย กาควรจเจริญสติให้มากๆในระหว่างวันก่อนที่จะมานั่งสมาธินี้ควรจะเจริญสติอยู่บ่อยๆสามารถจเจริญได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลานอนถ้ามีสติตากอย่างต่อเนื่องเวลานั่งสมาธิจิตก็จะเน่งจะสงบง่ายแล้วต่อไปนี้จะขออนุมโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราภริโพเรนติสาครลัง เอวเมวาวิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวาสมิจตุสพเพปเลนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยธามเนโชติระโสยธาสพิติโยวิวัจจันตุสภโรโวินัสตุ มาเตภาวตวันตระโยสุขีธีกายุโกภาวะอภิวันสิลิสะนิจังุทธาปจายโนจตารโหธรมาวะทานติอายุวันโสุขังภาลาง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 291ท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติ282ท่านทางดู u b e ดรัตวี58ท่านทางวิทยุออนไลน์10ท่านทางขับเฮาส์8ท่านผู้รับฟังหน้ากุติ101ท่านรวมทั้งหมด750ท่านครับเดี๋ยวข้างหลังมีคำถาม นวัต ก, การมค่ะหลวงพ่อมีญาติที่ถามฝากถามมาว่านั่งสมาธิแล้ว อ, อมีจิตสะดุดแล้วตกใจเจ้าค่ะมันวูบลงไปในหัวใจแล้วตกใจค่ะแล้วทีนี้ต่อไม่ติดเจ้าค่ะก็เริ่มใหม่ไงเริ่มใหม่พุโทโธใหม่พุโทโธใหม่เหมือ น, นการขับรถไปแล้วมันเจอหลุมเจอบ่อยอย่างเงี้ยอขับผ่านไปแล้วก็ขับต่อไป ไม่ต้องไปคิดถึงมันละมันผ่านไปแล้วเป็นปกติของจิตเวลาเจออะไรบางครัง้งบางคราวมันก็ส ะ, สะต้องสะเทือนได้เหมือนขับรถเนี่ยขับรถไปเจอหลุมเจอบอ่ไปเจอก้อนหินกระโดดข้ามปุ๋อะไรอี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องไม่ไม่ต้องหวั่นเกรงไม่ต้องตกใจไม่มีไม่มีปัญหาอะไรไม่มีความเสียหายตรงไหนขับต่อไปได้พุโทโธต่อไปได้แต่ไม่ต้องอยากให้เหมือนเดิมที่แบบ มันเย็นแล้วเขาอยากให้ต่อแล้วมันสะดุดก็เหมือนออกจากตัวเย็นมาก็ต้องกลับเข้าไปใหม่เลยก็กลับเข้าไปใหม่โอเคก็พูดโทรใหมแล้วกลับเข้าไปได้เดียวเดียวเท่านั้นเดียวเดียวแป๊บเดียวสาธุเจ้าค่ะหล่อกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะมีคําถามฝาดถามจะพูดรับฟังธรรมะนะคุติสองคำถามเจ้าค่ะคําถามที่หนึ่ง เราจะมีวิธีดูหรือพิจารณาจุดสังเกตได้อย่างไรว่าพระสงฆ์หรือคารวะที่แสดงธรรมหรือสอนธรรมนั้นเป็นผู้ที่รู้ธรรมเข้าใจธรรมรู้เห็นในสภาพธรรมะจริงๆไม่ใช่เพียงเพราะว่าผู้นั้นเป็นผู้จดจําได้ดีผู้ใจดีเราเรื่องดีโวหารดีแต่ ไม่ได้มีธรรมะจริงๆอยู่ในใจเลยกราบสาธุค่ะก็เอาคําสอนเข้าไปเปรียบเทียบคําคสอนของพระพุทธเจ้าหรดูเราต้องศึกษาพระธรรมพระธรรมคาสอนจากพระไตยปิฎกพระสูตรสําคัญไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กี่พระสูตรหลักสีห้าพระสูตรนี่ก็จะทําให้เรามีมาตรฐานว่าคําสอนของคนอื่นได้พระสูตรธรรมะจกักรธรรมจักรกับวตฒนสูตรมงคลละสูตร สติปัฐานสูตรอาธิตะปริยาญาสูตรแล้วก็อนัตตะลัคนาสูตรเนี่ยห้าสูตรนี้ถ้าเราศึกษาแล้วเราก็จะรู้มาตรฐานของคำสอนว่าเป็นอย่างไรถ้าใครสอนนอกเหนือจากนี้ก็ก็ถือว่าไม่ใช่แล้วถ้าเราไม่ศึกษามาก่อนเราก็จะไม่รู้เราจะไม่มีเครื่องวัดแล้วเบื้องต้นเราต้องศึกษาเพื่อทมคำสอนของพระพุทธเจ้า ใช่ค่ะข้อที่สองหากมีคนให้สิ่งของกับเราหากเราปฏิเสธไม่รับจะเหมือนว่าเราไม่อนุโมทนาในกุศลที่เขามีเมตตาที่เขาเป็นผู้ให้เป็นผู้สละหรือเปล่าคะก็มันอยู่ที่การให้ของเขาว่าเขามีเขามีเหตุผลกลไกอันใดหรือไม่อย่างไรมีเงื่อนไขหรือไม่อย่างไรถ้ามีเงื่อนไขให้เราจะต้องทําอนุนั้นนี้ให้เขา เราก็ปฏิเสธได้ถ้าเราไม่อยากจะทําให้เขาหรือเขาให้สิ่งที่เป็นอันตรายผิดกฎหมายให้ปืนมาให้ยาเสพติดมาหรือถ้าเป็นพระก็ถวายเบียถวายเหล้ามา่างนี้มันก็รับไม่ได้ยังนั้นเราสามารถปฏิเสธได้ด้วยเหตุด้วยผลแต่อยา่าไปปฏิเสธด้วยคำดังเกียดเขาหรือว่าเขาเป็นให้ของไม่ดีเรามาเขายากจนนะอย่างนี้ไม่ควรทําควรจะ ถ้าเขามีเจตนาที่ดีมีมายตรีจิตเขาอยากจะให้ของเราเขาเขามีของแบบนั้นอะ่ะเราก็รับไว้ก็ได้แต่เราจะาไปใช้หรือไม่ใช้นั่นก็เป็นเสร็จของเราอีกทีนึงแต่รับไว้เพื่อสนองศรัทธาเรียกว่า อ, อนุมโมทนาได้เจ้าขา่าจากทางเฟซบุ๊ข อ, อน้อมนะมันส ก, การกราบหลวงพ่อเจ้าค่ะไม่ทราบว่าสติกับการตื่นรู้ เป็นตัวเดียวกันหรือไม่เจ้าคะกราบขอพ่อคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันไปถามมันดูเลยเจ้าค่จากเฟซบุ๊กเจ้าค่ะนัมัการเจ้าค่ะระหว่างที่ปฏิบัติสมาธิหรือฟังธรรมอยู่นั้นจะมียุงมดมากัดมาแรงบีมาบินเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกปากสัตว์เหล่านี้จะมีบาปหรือไม่เจ้าคะและเราราคาญนึกราคาญสัตว์เหล่านี้เราจะมีบาปหรือไม่เจ้าคะ ไม่บบปหรอกสัตว์เขาก็ทำไปตามภาษาของเขาเขาก็หากินหาอยู่ของเขาไปส่วนเราถ้าเราไปโกรธเขาเนี่ยเราก็จะสร้างกิเลสสร้างความทุกข์ให้กับเราเราต้องวางใจเฉยเป็นอุเบกขาแผ่เมตตาให้เขาอะอัปเปสัตตาเนะ้อยอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขถ้าความสุขของเธอก็คือมาลบกวนเราก็เราก็ยินดีเราก็หาวิธีป้องกันเอามุ่งมาคอดัวหรืออะไรทั้อย่างหนึง่ง เขาก็จะได้ไม่มามารบกวนเราได้หรือไปนั่งในที่ที่ไม่มีไม่มีสัตว์ที่จะเข้าไปรบกวนเราได้คำถามจากยูทูปพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบยนถามพระอาจารย์ครับการยกมือไหว้สารพระภูมิเจ้าที่หรือที่คล้ายคืองกันนั้นเป็นต้นถือเป็นมิจฉาในศาสนาพุทธใช่หรือไม่ครับน้อมกัปขอบพระคุณมากครับก็ถ้าแล้วแต่เรายกมือไหว้เพื่ออะไร ถ้าเรายกมือไหวเพราะว่าเราให้ความเคารพเราก็ไม่อยากจะดูหมิ่นใครคนอื่นเขาไ่าแล้วก็ไหวตามเข้าไปอย่างนี้ก็เป็นการไหวแบบธรรมเนียมแต่ถ้าไหวแบบโอ้เชื่อหลงเชื่อว่าเขาวิเศษวิโสแล้วเ้าจะช่วยเราให้เราวิเศษวิโสได้เนี่ยถ้าไหวแบบนี้มันก็อาจจะเป็นการหลงผิดได้ ค่ะจากทางเฟซบุ๊กค่ะถามเข้ามาว่าส่งบุญให้ลูกสาวไปทําบุญให้คนที่เสียชีวิตไปแล้วในกรณีที่เขาเสียชีวิตยังไม่ได้เผาเพราะเราอยู่ไกลคนเสียชีวิตได้รับบุญได้ไหมคะเมื่อเราเขียนชื่อผู้เสียชีวิตค่ะได้ทําบุญแล้วอุทิศได้ผู้เสียชีวิตจะอยู่ที่ไหนไม่สําคัญ้ามาส่งไปได้อ่าเชื่อ ก, การนมัสการค่ะ เอเราจําเป็นจะต้องเจริญเราจําเป็นจะต้องอาราธนาศีลห้าทุกวันไหมคะพระอาจารย์ความจริงถ้าเราอาราธนาแล้วเรารักษาอยู่เราก็ไม่ต้องทําทุกวันนอกจากว่าเราเลิกไปแล้วเราอยากจะมาทําใหม่เราก็ค่อยมาอาราธนาใหม่ถ้าเราอาราธนาแล้วเราทําอย่างต่อเนื่องก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องอาราธนาใหม่เราก็อยากทราบว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าจริตเรา ถูกกับการเจริญภาวานาแบบรูปแบบไหนอะค่ะคือเจริญเราเนี่ยมันมีหลายด้วยกันมันแล้วแต่อารมณ์ว่ามันจะมันจะมีอารมณ์แบบไหนขึ้นมาเราก็ใช้วิธีแก้จะอ่ก็คือจริญก็เป็นเหมือนกับโรคของร่างกายเนี้ยบางทีเราก็ปวดหัวบางทีเราก็ปวดท้องเราก็ต้องกินยาเฉพาะที่จะแก้แก้โรคนั้นปวดหัวก็เอายาแก้ปวดหัวมากินปวดท้องก็เอายาแก้ปวดท้องมากิน อันในจริตก็เหมือนกันคืออารมณ์ของเราบางทีก็อารมณ์โกรธขึ้นมาอนี้ถ้าเราโกรธใครเราก็ต้องใช้เมตตามาแก้แผ่เมตตาสวดบทแผ่เมตตาไปสัตส์ตาเวลาโหนตุไปให้อภัยเขาถ้าให้อภัยได้ความโกรธก็จะหายไปถ้าเกิดความเอาเกิดความง่วงนอนนี้ขึ้นมาเราก็ต้องแก้ด้วยการกินอาหารให้น้อยหน่อย เรกินมากแล้วมันก็จะทําให้เราอิ่มแล้วเราก็จะง่วงนอนได้ถ้าเรามีความฟุ้งซ่านคิดมากเราก็ต้องเจริญสติมันเจริญสติพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทธะรับความคิดปรงแต่งต่างๆนี่นี่ก็คือวิธีแก้ซึ่งแต่ละคนก็มีเจลิตหลากหลายด้วยกันแล้วแต่เวลาบางเวลาก็โกรธบางเวลาก็ขี้เกียจบางเวลาก็ฟุ้งซ่านก็ต้องมีวิธีแก้โดยวิธีให้ถูกต้องแต่โดยหลัก ทั่วไปเวลาเราจเจริญสตินั่งสมาธิเราก็จะใช้พุโทโธพุโทโธไปอันนี้เป็นเหมือนกับยาสามัญประจำบ้านใช้ได้กับทุกโลคขอบคุณรรอาจารย์ค่ ะ, ะ, ะมีคำถามจากทางดรวีสว่าช่องดรวีคุณใบยกลูกขอน้อมน้อมกราบพระอาจารย์ด้วยจิตศรัศทธา ย, ยิ่งเจ้าค่ะ สภาวะของจิตใจโลกณนปะัจจุบันระหว่างวันปกติกับเหตุหรือเรื่องที่เกิดแม้กับตนหรือข่าวอื่นในทางโลกก็ปกติเจ้าค่ะรู้ว่าเหตุนี้เกิดเดี๋ยวก็ผ่านสักพักมีเหตุใหม่วนอยู่แบบนี้เป็นปกติใจรุกรนก็รู้ทันและบริกรรมบางคราก็ใช้ปัญญาดับได้ ปฏิบัติขาดกาวแบบนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานในทุกๆวันพระอาจารย์โปรดเมตตาชี้แนะลูกให้ดีขึ้นกว่านี้ด้วยเจ้าค่ะคือเหตุการณ์ที่มันกระทบเรานี้มันมีหลายระดับด้วยกันระดับที่ไกลตัวมันก็ง่ายหน่อยเราแก้ได้แล้วระดับที่ใกล้ตัวหน่อยก็อาจจะยากขึ้นเช่นใครมาด่าเราหรือใครมาทุบตีเรามากัดแกล้งเราอย่างนี้มันก็แล้ระดับที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นก็รุนแรงมากขึ้น เราก็ต้องฝึกวิธีเหล่านี้หาวิธีปฏิบัติเพื่อให้ใจเราไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์เหล่านี้ใกล้ตัวมากกว่านี้ก็คือร่างกายของเราเดี๋ยวร่างกายเราก็ปวดท้องบ้างปวดฟันบ้างเป็นโรคอะไรบ้างเนี่ยมันก็มากระทบกับใจเราได้เราก็ต้องหาวิธีมาตรการที่จะทำให้ใจเราไม่ไม่ทุกข์กับมันให้ได้เราก็ต้องสร้างพลังคือสร้างธรรมโอสถยารักษาใจนี้ให้มีกาลังมากขึ้น คือเราก็ต้องปฏิบัติให้ให้มากขึ้นเจริญสติให้มากขึ้นนั่งสมาธิให้มากขึ้นพิจารณาทางปัญญาให้มากขึ้นว่าเราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดมีดับมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีสุขมีทุกข์สลับกันไปสลับกันมาเป็นอนัตตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้แต่เราอยู่กับมันได้ถ้าเรามีสติมีสมาธิ<ม>เราก็ต้องพยายามฝึกสติสมาธิให้มากๆให้มีอุเบกขา พอเรามีอุเบกขาแล้วเราก็วางเฉยได้อย่าเราก็ต้องดูว่าเรารับกับเหตุการณ์ในระดับไหนได้เบื่องนอกได้ยินเพียงแต่ข่าวเราก็ยังพอจะทำใจได้อยู่แต่พอมันใกล้ตัวเข้าใครมาขโมยสมบัติเราไปอย่างนี้มันยิ่งใกล้ตัวขึ้นมาเราทำใจได้หรือเปล่าแล้วนอกจากสมบัติแล้วเข้ามากล้ก่อนนั้นก็คือร่างกายของเราหรือร่างกายของคนที่เรารักเช่นสามีเราภรรยาเราลูกเราบิดามารดาของเรา ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับเขาเราทำใจได้หรือเปล่าเราต้องซ้อมไว้ก่อนต้องคิดถึงข้อสอบเหล่านี้ไว้ถ้าเรายังทำไม่ได้ก็แสดงว่าธรรมะเรายังมีมีน้อยเราก็ต้องพยายามปฏิบัติธรรมะให้มากขึ้นเจ้าค่ะจากทางยู u b e พระอาจารย์เจ้าค่ะการที่จะเป็นโสดาบันนี้จำเป็นต้องมีสมาธิถึงขั้นไหนหรือครับแบบแยกจิตกับกายให้ออกจากกันได้หรอครับ เห็นว่าบางชาดกมีเด็กเจ็ดขวบเป็นโสดาบันแสดงว่าเขามีสมาธิถึงขั้นนั้นตั้งแต่เด็กหรอครับเพราะมันต้องมีตั้งแต่ชาติก่อนแนละ้วอย่างพระพุทธเจ้าก็มีตั้งแต่ชาติก่อนแนละ้วตอนที่อยู่คนเดียวตอนเด็กๆไม่มีใครห้อมล้อมจิตแค่นั้นก็รวมเป็นสมาธิขึ้นมาได้ยั้นของคนบางคนเขาทามาแล้วเขามีแล้วเขาก็ไม่ต้องมาทําก็ได้เขาก็ใช้ปัญญาแยกแยะได้เลย แต่บางคนยังไม่มีก็ต้องไปฝึกสตินั่งสมาธิให้มากก่อนเจาา้าค่ะจากทางยูทูปพระอาจารย์เจาา้าค่ะกระดาษธรรัสการพระอาจารย์ครับผู้ที่มีอาการขี้หลงขี้ลืมจะฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติภาวนาได้อยู่หรือไม่ครับขอบกราบพระอาจารย์ครับก็ <c oughs> อยู่ที่สติของเขาความหลงลืมเมื่อเกิดจากการไม่มีสติทําอะไรแล้วก็ไม่มีสติอยู่กับงานที่เราทําพอทำเสร็จแล้วก็ลืมไม่ว่าทําหรือเปล่าแต่ถ้าเรามีสติ เราจะรู้ทุกขณะจิตว่าเรากำลังทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นต้องพยายามฝึกสติให้มากสติเป็นตัวสําคัญที่ยวัดความสามารถของแต่ละคนเด็กที่เรียนดีกับเด็กที่เรียนไม่ดีก็อยู่ที่สติเด็กที่เรียนดีมีสติเขาก็นั่งฟังครูเขาเข้าใจทุกอย่างเด็กที่ไม่มีสติครูพูดอะไรไปใจก็ลอยไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงเรื่องนี้ฟังก็ไม่รู้เรื่องเวลาไปทําข้อสอบก็สอบตกฉั้นตัวสําคัญที่สุดคือสติ เราต้องพยายามฝึกสติถ้ามีน้อยก็ยังฝึกได้พยายามฝึกสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพุโทโธพุโทโธไปภายในใจอย่าปล่อยให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆแล้วต่อไปเราจะมีสติต่อเนื่องสติสัมปชัญญะแล้วเราจะรู้สึก ร, รู้เรื่องราวเราทุกหมดจะไม่หลงไม่ลืมด้วยได้ยินอะไรมาก็จะฟังก็จะจําได้เจ้าขาจากทาง Facebook ถามเข้ามาว่า คนต่างชาตินับถือคริสเตียนส่วนตัวเราคนไทยส่งบุญทำบุญแบบศาสนาพุทธคนที่เสียชีวิตต่างศาสนาเขารับบุญได้ไหมคะส่วนคนที่เสียชีวิตเขาก็เคยไปทำบุญแบบพุทธศาสนาเคยทำบุญลูกนิมิตถวายพระไตยถอดพระพุทธรูปมาบูชาคือคำสอนของพระเจ้านี้เป็นสากล ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาติไม่ได้ขึ้นกับศาสนาเป็นความจริงที่เกี่ยวกับจิตใจของทุกๆคน<ม>จิตใจทุกคนนี้รับบุญได้เวลาตายไปแล้วเราส่งบุญไปให้เขาได้ไม่ว่าเขาจะเป็นชาวอินเดียหรือเป็นชาวอะไรก็ตามหรือนับถือศาสนาอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญก็คือเขามีจิตใจเขามีดวงวิญญาณเวลาเขาตายไปแล้วดวงวิญญาณนี้เราสามารถส่งบุญไปให้เขาได้ เจ้าค่ะจากทาง Facebook เจ้าค่ะกราบดัสกันครับผู้ที่เคยปา마พระอริยะในอดีตแล้วสำนึกผิดและได้ขอขมาองหน้าทําคุณงามความดีให้พระศาสนามีโอกาสที่กํานั้นจะเบาบางบ้างไหมครับมีเราคนเราเปลี่ยนใจได้เป็นเปลี่ยนตัวเองได้องค์คุริมาลก็เหมือนกันปา마พระพระพุทธเจ้าจะพยายามฆ่าพระพุทธเจ้า พอหลังพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังก็ได้สติขึ้นมา ก, mm hmm. ก็ก็กราบพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำคำสอนพรุทธเจ้ามาปฏิบัติเดี๋ยวไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะมีใครอยากจะถามไหมในที่นี้อะไรยังไงถามประจำวันนี้ <laughs> มีไหมอามมาเข้ามาหน่อย ค่ะพระอาจารย์ค่ะขอถามนอกเรื่องค่ะพระอาจารย์เคยเจอพูดผีปีศาจหรือว่าวิญญาณอะไรอย่างนี้ไหมคะ่ะอย่าถามเรื่องส่วนตัวพูดไม่ไ ด, ด, ด้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโดนเขต้องกล่าวหาว่าอุตล ệ อ๋อค่ะมันน่าสนใจนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่อ ง, งไม่ไม่ไม่ไม่น่าสนใจเลยสนใจเรื่องพูดผีปีศา์ในตัวเราดีกว่าข้ามันให้หมดพูดผีปีศา์ที่มีในตัวเรามันความคิดปรุงแต่งของจิตเราหลอกเราเองอ คาด้วยสติพุโทโธพุโทโธไปพอพอพอมีสติแล้วผู้ผีผีศาสจะไม่โผล่ขึ้นมาในใจเราถ้าไม่มีสติเนี้ไปอยู่ที่มืดที่ไหนคนเดียวเดี๋ยวเห็นผู้ผีผีศาสเต็มไปหมดเลยมันไม่มีเรกมันอยู่ในใจเราเขาบอกว่าผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงเข้าใจไหผีจริงก็คือดวงวิญญาณต่างๆเขาไม่มีเวลามาหลอกเราให้เสียเวลาเขาต้องไปรับผลบุญผลบาปของเขา อ้ที่มาหลอกเราก็คือผีไม่จริงผีที่เราบุงแต่งขึ้นมาเองคิดขึ้นมาเองใชหมนะเวลาเจอผีไม่จริงก็พุโทโธพุโทโธไปไล่มันเดี๋ยวมันก็หายแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วแล้วแผ่เมตตาได้ไหมคะก็เหมือนกันแหะแผ่เมตตาหรือพุโทโธก็เพื่อหยุดความคิดบุงแต่งนันเองอ๋อค่ะอกล่าวขอบพระคุณค่ะจ้าเออเข้ามาอีกท่านหนึ่งเชิญ นวัตสการ์ค่ะพระอาจารย์พูดกานไกลไอ ห, หัวตรงไง ห, หัวตรงนวัตสการ์ค่ะพระอาจารย์โยมมีอยากสอบถามมาค่ะปกติโยมเวลาจะนอนนะคะก็อ่ะก็จะฟังธรรมะบ้างหรือสวดมนต์แต่บางครั้งส่วนใหญ่โยมจะหลับไปด้วยเสียงสวดมนต์นะคะพอตื่นมาแล้วรู้สึกว่าจะมีแต่เสียงสวดมนต์อยู่ในหัวตลอดเวลาแม้ะทั่งจะทําอะไร เหมือนเช้ามาโยมต้องทำงานหรือนั่งพูดคุยกับใครอะ่ะโยมบางทีโยมก็ตกใจเอ๊ะเหมือนเราสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ฟังบุคคล น, นั้นพูดงานกับเราได้อ่ะค่ะสิ่งนี้โยมโยมควรจะยึดติดไว้หรือโยมจะทำยังไงต่อคะ <c oughs> <ม>ก็ก็ต้องรู้จักเวลาที่เราให้มันก็เป็นสิ่งที่ดีบทสวดมนต์ก็เป็นเหมือนกับสาเหมือนเหมือนเหมือนกับการเจริญสติ แต่ถ้าเราทําอะไรเราก็ต้องจดจ่ออยู่สิ่งที่เราทําค่ะไม่ต้องไปกังวลกับเสียงสวดมนต์มันจะสวดไปภายใใจก็ปล่อยมันสวดไปแต่เราก็ต้องมีสติอยู่กับสิ่งที่เรากําลังทำอยู่แต่ถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วจิตมันจะไปคิดเรื่องนี้เรื่องนีงน้นก็ให้มันกลับมาอยู่ที่เสียงสวดมนต์ดีกว่า แที่โยมแปลกใจคือโยงคุยงานได้แต่ในในหัวของโยมก็ยังสวดมนต์อยู่ก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยมันสวดไปเราอย่าไปให้ความสัมพันธ์กับมันก็แล้วกันโยมไม่ได้ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านอ่ะมันเป็นการฝึกสติไงถ้าเราฝึกสติบ่อยๆมันก็จะค้างอยู่ในใจเรามันก็จะจําได้แล้วเราอยากจะทําใจให้สงบเราก็คิดแล้วก็ไปที่เสียงสวดมนต์นั้นหยุดเรื่องอื่นไปแล้วเสียงสวดมันก็จะช่วยกล่อมใจเราให้สงบได้ค่ะ ขไม่เวลาไม่มีโทษเป็นของดีมันบางคนพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจแล้วมันฝังอยู่ในใจเป็นอัตโนมัตดหรือมไม่จะทำอะไรอยู่มันก็ยังพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจไปเรื่อยๆอแล้วพ อ, พอเราต้องการใช้พุโทโธมันก็จะมาง่ายมาเร็วขอบคุณค่ะดีฝุดไปแล้วไม่ต้องกลัวบทส่วนมันก็เหมือนพุทโธเนี่ยทําหน้าที่อันเดียวกันขอบพคุณค่ะสาธุ มีคำถามจากทาง y o u t u b จ้ค่ะขอถามว่าทำอย่างไรถึงจะได้โสดาบันค่ะก็ใบบวชนะวิธีง่ายที่สุดแล้วที่สุดคือไบบวชค่ะจากทาง Facebook ค่ะการทำบุญให้ผู้เสียชีวิตที่เพิ่งเสียชีวิตในช่วงห้าสิบวันแรกคนตายจะได้รับบุญต่างยังไงกับคนที่เสียชีวิตนาแล้วค่ะเหมือนกันดวงวิญญาณของแต่ละคนนี่ บางทีก็ยังต้องอาสายบุญอยู่เขาก็จะมารอรับบุญอยู่ไม่ว่าเขาจะตายไปกี่ปีแล้วก็ตามถ้าเขายังต้องการบุญเขาก็จะมารอรับบุญอยู่บางคนตายปับ๊บแล้วก็ไม่มารอรับบุญเลยก็มีไปสวรรค์เลยก็มีแสดงว่าเ็าได้ทำบุญไว้มากางั้นแต่เราไม่รู้ว่าดวงวิญญาณของใครรอเรา อ, อ, อยู่หรือไม่งั้นเพื่อความเพื่อความมั่นใจก็เราก็ทำเผื่อไว้ก็แล้วกัน ทุกั้งที่เราทำบุญก็อุทิศให้คนนั่นคนนี้ไปได้ยังของอาการพี่คนเมื่อกี้ค่ะพระอาจารย์เขาเรียกว่าเป็นอยู่ในฌานนะคะถึงนี้ิก็เป็นเป็นการเจริญสติมันสติมันฝังสิ่งที่เราเจะเริญว่ามันฝังอยู่ในใจเราอางคนเจริยนังสือพะอาการสามสิสองนี้เวลาเห็นร่างกายของใครก็เห็นอาการสามสิสองขึ้นมาอยู่ในนี้คก็เป็นการปลูกฝังความรู้ที่ดีไว้ในใจเราเป็นความรู้ที่เป็นกุศล สามารถนำมาช่วยใจให้สงบได้ช่วยใจให้ไม <wh ipp ings> <mother> ่ใ sí ห้ไม่ให้ฟ wow okay, <men> ุ้งซ่านได้เกิดจากการที่เราทําบ่อยๆทําบ่อยๆแล้วมันก็จะปลูกฝังอยู่ในใจของเราไปก็เปรียบเสมือนเป็นกําลังบุญใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็เป็นกําลังของสติค่ะกำลังของสติเจ้าค่ะคำถานต่อไปจากทางยูทูบช่องพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบในมัสการพระอาจารย์ค่ะปฏิบัติมาหลายปีต่อมามีความเจ็บป่วยเข้ามา จากความเสื่อมทางร่างกายทำให้ไม่สามารถปฏิบัตินั่งสมาธิได้นานๆเหมือนเช่นเคยแต่ต้องใช้เวลาดูแลร่างกายมากขึ้นลูกทำแบบนี้ถูกไหมคะก็ทำไปตามความจำเป็นร่างกายก็ต้องดูแลให้มันอยู่เป็นบักเตสุถ้าต้องใช้เวลามากก็ต้องใช้เวลามากไปก็จาเป็นก็ต้องทาไปจนกว่ามันจะทำไม่ได้ก็ก็หยุดทำไปก็ต้องปล่อยวาง มันถึงขีดหนึ่งดูแลมันไม่ได้มันจะตายมันก็ต้องปล่อยมันไปอย่าไปยืมมันให้เสียเวลามันจะท ร, รมานไปหรือเป่าโดยใช่เหตุเจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคไม่มีเวลาก็หมดพอดีสาหรับวันนี้<ม>ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ